พวกเราคงจะได้ยินคําว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คําว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้ก็คือสิ่งที่ให้คุณให้โทษกับชีวิตจิตใจของพวกเรานั่นเองคือให้ความสุขกับเรา หรือให้ความทุกข์กับเราให้ความเจริญรุ่งเรืองกับเราหรือให้ความล่มจมความหายณนกับเรานี่คือความหมายของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วอะไรบ้างที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ให้ความสุขความเจริญหรือให้ความล่มจมความทุกข์กับเรา พวกเราก็คิดว่าเป็นพวกวัตถุมงคลต่างๆเครื่องรางของขลังต่างๆเช่นวัตถุมงคลก็พวกพระพุทธรูปปางต่างๆตั้งแต่พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในโลกลงมาถึงพระพุทธรูปองค์เล็กๆที่เราแขวนคอกัน หรือพวกเทพรูปต่างๆรูปของพระอินทร์ของพระพรหมของพระศิวะของพระพิกเนตหรือพวกสารพระภูมิต่างๆพวกนี้เป็นพวกวัตถุมงคลความจริงเป็นวัตถุเพียงแต่เรามาเติมคำว่ามงคลเข้าไป ให้มันฟังแล้วว่ามันขลังความจริงมันเป็นเพียงวัตถุของพวกนี้ทรมาจากวัตถุทำมาจากโลหะเช่นเหล็กทองเหลืองทองแดงหรือปั้นมาจากดินเป็นดินปั้นของเหล่านี้เป็นวัตถุที่ไม่สามารถ ที่จะให้คุณให้โทษกับชีวิตจิตใจของพวกเราได้ไม่สามารถทำให้เราเจริญร่วงเรืองไม่สามารถทำให้เราล่มจมได้ต่อให้เรากราบไหว้บูชากันตลอดเวลากราบไหวทท้ทุกเช้าทุกเย็นบูชาทุกเช้าทุกเย็น การบูชาวัตถุนี้ไม่ได้ทำให้เกิดผลดีผลเสียต่อชีวิตจิตใจของพวกเราและอะไรละ่ะที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกนี้มีเพียงอันเดียวเท่านั้นสิ่งนั้นก็คือกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมนี่แหละ เป็นผู้ที่จะให้คุณให้โทษต่อชีวิตจิตใจของพวกเราเป็นผู้ที่จะให้เราเจริญรุ่งเรืองเป็นผู้ที่จะให้ความสุขกับเราหรือเป็นผู้ที่จะทำให้เราทุกข์ทำให้เราล่มจมทำให้เราเสียหายไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่กฎแห่งกรรมนี้เท่านั้น พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระอริยสงฆ์สาวกทุกๆพระองค์บูชากดแห่งกรรมเขารกดกฎแห่งกรรมทุกๆพระองค์ตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปท่านเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วท่านจึงไม่ทำชั่วถ้าไม่ทำบาปเลย ยอมตายดีกว่าทำบาปนี่คือการบูชาของพระอริยบุคคลต่อกฎแห่งกรรมเพราะท่านมีดวงตาเห็นธรรมเห็นผู้ที่ทำกรรมและเห็นผู้ที่จะต้องไปรับผลของกรรมต่อไปไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตาม มีผลตามมาพระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสว่าเพื่อเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้รับเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นผู้ให้กาเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย จะทำกรรมอันใดไว้ไม่ว่าจะดีหรือจะชั่วจะเป็นบุญหรือเป็นบาปจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นนี่แหละคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่จะทำให้เราสุขให้เราจเจริญหรือสิ่งที่จะทำให้เราทุกเรลร่มจมอยู่ที่การกระทำของพวกเรา คำว่ากรรมนี้แปลว่าการกระทำนะกรรมนี้เราใช้สองความหมายด้วยกันความหมายหนึ่งก็คือการกระทําความหมายที่สองเราใช้แทนคําว่าบาปบางทีแทนที่เราจะเรียกว่าบาบุญบุญกับบาปเราก็ไปเรียกว่าบุญกรรมนะบุญกับกรรม ความจริงคําว่ากรรมนี้ความหมายเดิมนี่แปลว่าการกระทาความหมายที่มากับกฎแห่งกรรมนี้แปลว่าการกระทากฎแห่งกรรมนี่ก็แปลว่ากฎของการกระทานี่เองกฎของการกระทาที่พวกเราทํากันอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ลืมตาขึ้นมา พอตื่นขึ้นมาพวกเราก็เริ่มทำกรรมกันทันทีการกระทำกรรมของพวกเรานี้ทำได้ด้วยสามสามทางด้วยกันสามชนิดด้วยกันชนิดแรกที่เราทำกันเริ่มต้นเลยก็คือมโนกรรมก็คือการกระทำทางใจมโนกรรมก็คือความคิดต่างๆนี่เอง คิดดีก็ได้คิดชั่วก็ได้คิดทำบุญก็ได้คิดทำบาปก็ได้อันนี้มีเป็นกรรมอันแรกของพวกเราเวลาเราตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาพอลืมตาปับ๊บเราก็เริ่มคิดกันแล้วคิดว่าวันนี้วันอะไรตอนนี้อยู่ที่ไหนเวลาเท่าไหร่จะต้องไปทำอะไรบ้างเริ่มคิดแล้ว ถ้าเป็นพวกโจรก็คิดว่าวันนี้จะไปขโมยเงินที่ไหนดีถ้าเป็นพวกคนใจบุญก็จะคิดว่าวันนี้ไปทำบุญที่ไหนดีใ น, นคิดไปได้ทั้งทางที่ดีและทางที่ไม่ดีพอคิดแล้วก็จะมีการกระทำชนิดที่สองตามมาคิดแล้วก็มโนกรรมเกิดแล้วทีนี้ก็จะมีวจีกรรม คือการทาการกระทำทางวาจาและการกระทำทางกายเรียกว่ากายกรรมตามมานี่คือการกระทำสามชนิดด้วยกันที่เราทำกันอยู่ทุกวันนับตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้เลยว่าเรากาลังเริ่มให้คุณให้โทษต่อชีวิตจิตใจของพวกเรา ด้วยการกระทำทั้งสามชนิดนี้ต้องเกิดจากการกระทำชนิดที่หนึ่งก่อนการกระทาชนิดที่สองและชนิดที่สามถึงจะเกิดขึ้นได้ต้องมีความคิดก่อนคิดว่าจะทำดีคิดว่าจะทำชั่วหรือคิดว่าจะทำสิ่งที่ไม่ดีไม่ชั่ว พอคิดแล้วก็จะมีการใช้วาจาถ้าต้องเกี่ยวข้องกับผู้อื่นเช่นอาจจะชวนคนที่เป็นผู้ร่วมงานไปทำกรรมด้วยกันถ้าคิดว่าจะไปทำบุญก็จะกล่าวเชิญเพื่อนให้ไปทำบุญ วันนี้ไปทำบุญไหมอันนี้ก็เรียกว่าวาจีกรรมกรรมเกิดขึ้นทางวาจาแล้วพอพูดแล้วช่วนแล้วเขาจะไปหรือไม่ไปเราตั้งใจจะไปเราก็ออกเดินทางไปทำบุญกันพอมีการทำบุญมีการซื้อข้าวของมีการเอาของไปแจกไปจ่ายไป ถวายก็เกิดกายกรรมขึ้นมาการกระทําทางกายพอมีการกระทําทางใจแล้วพอมีการกระทําทางวาจาหรือทางกายการกระทําก็ถือว่าสําเร็จผลการพูดนถ้าพูดโกหกนี้ก็ถือว่าได้ ทำบาปแล้วทางวาจาถ้าไปขมโมยของคนอื่นโดยที่เขาไม่ได้อนุญาตก็เป็นการทําบาปทางร่างกายการกระทําบาปทางวาจาและทางร่างกายหรือการทําบุญทางร่างกายทางวาจานี้จะต้องมีการกระทําทางใจก่อน คือต้องคิดก่อนมนโนกรรมต้องเกิดขึ้นก่อนแต่ถ้าเกิดเพียงแต่มนโนกรรมแต่ยังไม่มีวจีกรรมหรือกายกรรมกรรมก็ยังไม่ถือว่าสำเร็จประโยชน์บุญยังไม่เกิดบาปยังไม่เกิดถ้านเพียงแต่คิดวางแผนแต่ยังไม่ได้ไปทำตามที่ได้คิดที่วางแผนไว้ผลก็ยังไม่เกิด ผลคือความสุขความทุกข์ความเจริญความล่มจมก็ยังไม่เกิดแต่พอคิดแล้วแล้วมีการไปพูดหรือมีการไปทําแล้วทีนี้ผลก็จะเกิดขึ้นมาความสุขความทุกข์ก็จะเกิดความเจริญความล่มจมหรือความเสื่อมก็จะเกิดเกิดที่ไหน ก็เกิดที่ใจนี่แหละเกิดที่ผู้ที่สั่งให้ให้ไปพูดไปทำอะไรนี้เองใจท่านเสียงเรียกว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวร่างกายนี้เป็นเพียงเครื่องมือร่างกายไม่ได้เป็นผู้กระทำเป็นเพียงเครื่องมือของผู้กระทำและไม่ได้เป็นผู้รับผลของกรรม ของการกระทำผู้ที่รับผลของการกระทำที่แท้จริงผู้ ท, ที่ผู้ที่กระทำกรรมที่แท้จริงก็คือใจใจนี้แหละเป็นผู้ที่จะเจริญจะสุขหรือเป็นผู้ที่จะทุกข์จะเสื่อมจะล่มจมเนี่ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายร่างกายนี้เป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้น แต่บางทีเครื่องมือก็อาจจะต้องติดร่างแหไปด้วยเพราะเวลาใช้ร่างกายไปทำบาปเช่นไปทำผิดกฎหมายเขาก็ต้องจับร่างกายไปลงโทษเพราะเขาไม่เห็นตัวจริงที่สั่งให้ร่างกายเป็นผู้กระทำนันเขาเลยก็ต้องจับเครื่องมือจับร่างกายไปลงโทษ ทางกฎหมายทางบ้านเมืองนี้ลงโทษให้คุณให้โทษได้ที่ร่างกายแต่ที่จิตใจนี้กฎแห่งกรรมเป็นผู้ให้คุณให้โทษไม่ต้องมีตำรวจมาจับไปลงโทษสำหรับเรื่องของจิตใจพ อ, อทาแล้วปั๊บกฎแห่งกรรมจะลงโทษหรือให้คุณทันทีถ้าทำบาป ใจก็จะทุกข์จะร้อนขึ้นมาทันทีถ้าทำบุญใจก็จะเย็นจะสง ข, ขึ้นมาทันทีอันนี้เป็นผลที่เกิดขึ้นทันทีในขณะที่ได้ทำบุญหรือได้ทำบาปแล้วยังมีผลในอนาคตต่อไปอีกด้วยคือเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว ร่างกายตายไปแล้วใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจนี้แหละเป็นผู้ที่จะไปรับผลบุญผลบาปที่ได้ทําไว้ต่อไปถ้าทําบาปมากกว่าทําบุญบาปก็จะเป็นผู้ให้โทษก่อนให้ผลก่อนก็จะต้องไปเป็นดวงวิญญาณในอบายเป็นเปรตเป็นอสุรกายไปนรก หรือถ้าไปได้ร่างกายก็จะได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานถ้าบาปมีกำลังมากกว่าบุญเพราะว่าในขณะที่มีชีวิตอยู่โลกเราก็ทำบุญบ้างทำบาปบ้างสลับกันไปแล้วแต่โอกาสแล้วแต่เหตุการณ์แล้วแต่สิ่งแวดล้อมบางทีก็ถูกโอกาส สิ่งแวดล้อมหลือเหตุการณ์บียให้ไปทําบาบ้างบีบให้ไปทาํา บ, บ, ทบุญบ้างโดยที่ไม่ได้เกิดจากเจตนาหรือความตั้งใจของตนแต่ก็ถูกเหตุการณ์กระตุ้นให้ให้มีเจตนาไปในการไปการทําบุญหรือทำบาบ้างเช่นเวลายากจนอดอยากขาดแคลน ทุกยากลำบากไม่มีอาหารรับประทานบางทีเหตุการณ์นี้ก็จะบีบบังคับให้คิดไปในการทำบาปเช่นไปลักขโมยอาหารของผู้อื่นมารับประทานอันนี้ถ้าไม่มีความทุกยากลำบากก็อาจจะไม่ได้คิดทำบาปกันแต่บางทีเหตุการณ์ของชีวิตมัน บีบบังคับก็เลยทนต่อความทุกข์ยากลำบากไม่ได้ก็เลยเลือกเอาวิธีแก้ปัญหาด้วยการไปทำบาป่าเราบางทนไม่อยากจะทำบาปแต่บางเวลาพอเกิดมีเหตุการณ์มาบังคับมากดดันก็อาจจะสู้ไม่ไหวบางทีโกรธใครมากๆ ก็อาจจะคิดทำร้ายเขาอันนี้เป็นเรื่องของสิ่งที่จะมาบีบบังคับให้จิตใจนี้ไปทำบุญหรือไปทำบาปเช่นส่วนถ้าเกิดได้มีเงินมากขึ้นมาก็อาจจะทำให้คิดอยากจะทำบุญ ก็มีเงินเหลือกินเหลือใช้รู้อยู่ว่าตายไปก็เอาไปไม่ได้เก็บไว้เฉ ย, เฉยๆก็ไม่เป็นประโยชน์เอาไปทำบุญแล้วมีความรู้สึกมีความสุขใจขึ้นมาอันนี้ก็เป็นเรื่องของเหตุการณ์ที่พาให้เราไปทำบุญหรือไปทำบาปกันอีกอย่างหนึ่งที่ ทำให้เราไปทำบุญหรือไปทำบาปกันก็คือนิสัยเดิมของเราถ้าเรามีนิสัยชอบทำบุญเราก็มักจะทำบุญเวลาเรามีโอกาสมีเวลาว่างมีกำลังที่จะทำบุญเวลาที่ถูกเหตุการณ์บีบบังคับให้ไปทำบาปเราก็อาจจะไม่ทำบาปเรายอมทุกข์ยากลำบาก เพราะเรากลัวบาปหรือเราเห็นโทษของบาปเราก็เลยยอมทุกข์กับความทุกข์ยากลําบากดีกว่าไปทุกข์กับการรับรับผลของบาปที่เราจะไปกระทำํำเพราะผลของบาปที่จะทํานี้มันร้ายกาจกว่าความทุกข์ยากลําบากที่เรามีอยู่ในขณะนั้นนี่เป็นสําหรับคนที่มีนิสัย ชอบทําบุญไม่ชอบทําบาปนะบางทีมีเหตุการณ์มาบีบบังคับให้ไปทําบาปก็จะไม่ทําอย่าทาแต่บุญพอมีโอกาสทําบุญก็จะไปทําบุญนี่เป็นเรื่องของนิสัยที่ติดตัวมาเพราะว่าพวกเราเกิดมานี้ไม่ใช่เพียงเกิดมาอาจะพบนี้ชาตินี้เป็นครั้งเดียวครั้งแรกพวกเรานี้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์กันอยู่ หลายแสนล้านครั้งแล้วแล้วในแต่ละครั้งที่เรามาเกิดเราก็จะเลือกทำบุญบ้างเลือกทำบาปบ้างแล้วพอเราเลือกทำอะไรแล้วมันก็จะเริ่มเป็นนิสัยขึ้นมาพอทำบ่อยๆมันก็จะติดนิสัยทำบุญบ่อยๆก็จะติดนิสัยทำบุญ ทำบาปบ่อยๆก็จะติดนิสัยทำบาปนะอันนี้บางทีไม่มีเหตุการณ์มาบีบบังคับอยู่ดีๆก็อยากจะทำบาปขึ้นมาหรืออยู่ดีๆก็อยากจะทำบุญขึ้นมาอันนี้เป็นเรื่องของนิสัยที่เป็นตัวกระตุ้นให้พวกเราไปทำบุญไปทำบาปกันแต่พวกเราถ้าไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนา ไม่ได้มายินไม่ได้มาฟังเรื่องกฎแห่งกรรมเราจะไม่รู้ว่าการกระทาของเราในแต่ละวันนี้มีผลอย่างไรต่อจิตใจของพวกเรามากอาจจะรู้เพียงแต่ขณะที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันเท่านั้นเวลาเราทำดีเราก็จะรู้สึกสบายใจเวลาเราทำบาปทำไม่ดี เราก็จะไม่เราก็จะรู้สึกทุกข์ใจไม่สบายใจแต่เราก็อาจจะรู้เพียงเท่านี้แต่เราไม่รู้ว่ามันมีผลมากกว่านี้อกีกมีผลต่อจิตใจของเราหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วเพราะว่าพวกเราอาจจะไม่รู้เสียด้วยซ้ำไปว่าจิตใจของพวกเรากับร่างกายของพวกเรานี้เป็นคนละคนกัน พวกเราอาจจะคิดว่าร่างกายกับจิตใจอยู่ร่วมกันอยู่ด้วยกันเช่นจิตใจอยู่ในสมองเวลาเราคิดเราคิดออกมาจากสมองเราก็อาจจะคิดว่าจิตใจกับร่างกายเป็นคนเดียวกันพอร่างกายตายไปเราก็คิดว่าจิตใจก็ตายไปด้วยถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็จะคิดว่า บาปก็ดีบุญก็ดีที่เราได้ทําไว้ในขณะที่เรามีร่างกายมันจะไม่มีผลอะไรต่อไปหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็อาจจะไม่กลัวบาปเราก็อาจจะไม่มีความยินดีที่อยากจะทําบุญเพราะการทําบุญนี้ขาดทุนมีแต่เสีย เสียเงินเสียทองที่เราอุตส่าห์หามาได้อย่างยากเย็นล้วอยู่ดีๆก็เอาไปให้คนอื่นเเราก็จะรู้สึกว่าทําไปทําไมถ้าทําแล้วไม่มีผลตามมาถ้าตายแล้วไม่ได้ไปต่อสวรรค์ก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนนรกก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนถ้าเราคิดว่า ร่างกายกับใจนี้เป็นของคนเดียวกันมันก็จะทําให้เราไม่มีความยินดีไม่มีความอยากจะทําบุญหรือไม่มีความกลัวในการกระทําบาปเพราะคิดว่าทําบาปอย่างมากก็ติดคุกติดตารางถ้ายังมีชีวิตอยู่แต่สมัยนี้ก็สามารถหลบหนีกฎหมายได้ ถ้ามีเงินก็สามารถซื้อเจ้าหน้าที่ต่างๆได้ทําผิดให้กลายเป็นถูกก็ได้ก็จะไม่กลัวบาปกันเพราะคิดว่าทําแล้วมันได้กําไรนั่นเองเวลาทําบาปนี้มันได้กําไรเวลาอยากจะได้เงินของคนอื่นโกงเงินของคนอื่นนี่มัน มันได้ได้เงินของคนอื่นมามันได้กาไรต่างกับเวลาทำบุญนี่ต้องเสียเงินก็เลยคิดว่าขาดทุนคนถ้าคิดว่าตายแล้วสูญคือหมายความว่าพ อ, อร่างกายตายไปแล้วชีวิตของเราก็สิ้นสุดลงตรงนั้นเราไม่เราก็ตายไปกับร่างกายแต่ความจริงตามหลักที่พระพุทธเจ้าตาม ตามการพิสูจน์ของพระพุทธเจ้านี่พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าทรงพบว่าร่างกายกับจิตใจนี้เป็นคนละคนกันเป็นฝาแฝดเหมือนแฝดสยามมา อ, าอยู่เกาะติดกันสมัยก่อนแฝดสยามนี้เขาแยกออกไม่ได้เพราะว่าทางการแพทย์เขาไม่มีความรู้ความสามารถที่จะแยก แฝดสยามให้ออกจากการอย่างปลอดภัยได้แฝดสยามก็เลยต้องไปด้วยกันแต่เป็นคนสองคนมีความรู้สึกนึกคิดต่างกันมีความรักความชังความชอบต่างกันแต่ต้องไปด้วยกันเพราะว่าร่างกายมันติดกันอันนี้ก็เหมือนกันใจของพวกเรากับร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนแฝดสยาม มันมาเกาะติดกันตอนที่มารดาตั้งครรภในท้องเนพอมีการตั้งครรภขึ้นมาจิตใจที่เป็นดวงวิญญาณก็จะมาเกาะติดกับร่างกายที่กำลังก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาแล้วพอคลอดออกมาจากท้องแม่จิตใจนี่แหละเป็นผู้สั่งการให้ร่างกายทาอะไรต่าง เพราะร่างกายนี้ไม่มีความสามารถที่จะสั่งการอะไรได้ร่างกายไม่มีความรู้สึกนึกคิดต้องรอให้จิตใจผู้ที่มีความรู้สึกนึกคิดนึกคิดขึ้นมาว่าต้องการอะไรส่วนใหญ่ก็ต้องให้มีความรู้สึกก่อนพอรู้สึกหิวก็สั่งให้ร่างกายไปหาอาหารมา วิธีหาอาหารตอนที่เป็นทารกก็คือให้ร้องไห้พอร้องไห้เดี๋ยวพ่อแม่ได้ยินก็สงสัยแล้วว่ามันเป็นอะไรก็หิวน้ำหรือเปล่าหิวนมหรือเปล่ า, ลาสิ่งแรกก็คิดว่าคงจะหิวก็ต้องหาน้ำหานมมาให้ดื่มพอดื่มแล้วไม่ร้องก็ถือว่าได้ให้สิ่งที่ เด็กต้องการแล้วคืออาหารเดี๋ยวถ้าเกิดหนาวขึ้นมาก็อาจจะร้องขึ้นมาอีกพ่อแม่ก็ต้องมาตรวจดูว่าตอนนี้ต้องการอะไรเห็นอ้าไม่ได้ห่มผ้าเอียเอาผ้ามาห่มพอห่มแล้วก็หยุดร้องนี่คือใจสั่งผ่านทางร่างกายเวลาใจต้องการอะไรสิ่งที่ใจต้องการคือความสุขนั่นเอง เวลามีความรู้สึกทุกข์ขึ้นมาในใจนี้ใจจะเริ่มคิดหาวิธีแก้ทันทีหาวิธีแก้ว่าอจะทำยังไงทาให้ความทุกข์อันนี้หายไปตอนต้นก็ถ้ายัางใช้ร่างกายเองไม่ได้ก็ต้องส่งสัญญาณให้กับพ่อแม่ด้วยการร้องไห้พ่อพ่อแม่ได้ยินเสียงร้องก็ต้องมาดู แต่พอโตขึ้นมาพอเริ่มสามารถใช้ร่างกายให้แก้ปัญหาของตนเองได้ก็อาจจะไม่ร้องขอพ่อแม่พอมีความรู้สึกไม่สบายพออยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งพอเห็นสิ่งนั้นก็อาจจะไปหยิบมาเลยเพื่อที่จะได้ระบายความไม่สบายใจ ที่เกิดจากความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอได้แล้วความรู้สึกที่ไม่สบายก็หายไปนี่คือการทางานของใจใจนี้ถูกความรู้สึกที่มีอยู่ในใจคอยกระตุน้นให้คอยไปทำอะไรต่างๆผ่านทางร่างกายพอมีความรู้สึกไม่สบายก็ต้องหาวิธีแก้ความไม่ไม่สบาย ด้วยการไปใช้ร่างกายเป็นผู้ไปกระทำตามที่ต้องการใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายไปทำแล้วก็ใจก็จะเป็นผู้รับผลของการกระทำถ้าไปทำในสิ่งที่เป็นบาปก็จะทำให้ใจร้อนใจไม่สบายขึ้นมา สังเกตดูเวลาเราทำบาปเราสบายใจไหมเวลาที่เราต้องโกหกคนนั้นคนนี้สบายใจหรือเปล่าเวลาที่เราต้องหลอกลวงรดยช่อโกงเงินทองของผู้อื่นทรัพย์สินของผู้อื่นมาเรารู้สึกสบายใจหรือเปล่า น, นี้คือการผลของการกระทำบาป มันจะทำให้เกิดความไม่สบายใจขึ้นมานะหลังจากที่ได้ทำทันทีถ้าทำบุญทำความดีมันก็จะทำให้เราเกิดความรู้สึกสุขขึ้นมาทันทีอันนี้เป็นผลเบื้องต้นผลที่จะตามมาต่อไปคือจะทำให้ใจของเราจเจริญเนื้อเสื่อมลงถ้าทำบาปใจของเราก็จะเสื่อมลงตอนนี้ใจของเราเป็นมนุษย์ พอเริ่มทำบาปแล้วใจก็จะเริ่มเปลี่ยนจากมนุษย์ไปเป็นเดรัจฉานบ้างไปเป็นเปรตบ้างไปเป็นอสู ร, รกายบ้างไปเป็นนรกบ้างการทำบาปด้วยความไม่เชื่อว่าเป็นบาปนี้จะทำให้ใจเริ่มกลายเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าทำบาปด้วยความโลภความอยากได้มากๆก็จะทำให้เป็นเปรต ถ้าทำบาปด้วยความกลัวก็จะทำให้ใจเป็นอสุรกายถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทก็จะทำให้ใจเป็นนรกขึ้นมาเป็นตั้งแต่ขณะที่ยังมีร่างกายเป็นมนุษย์อยู่แต่ใจเริ่มเริ่มแปลพันนุะ์เริ่มเปลี่ยนพันเริ่มกลายพันจากมนุษย์ไปเป็นสัตว์ชนิดที่เรา ทำบาปถ้าทำบาปด้วยความไม่เชื่อด้วยความไม่รู้ก็จะเป็นเดรัจฉานไปทีละเล็กทีละน้อยไม่ได้เป็นทีเดียวร้อยอซอาจจะเป็นมนุษย90์90ก่อนเป็นเดรัจฉาน10ซไปทำบาปด้วยความโลภ ก, ก็ไปเป็นเปรตอีกสิเซนี่ยค่อยสะสมไปเรื่อยๆในใจแต่ไม่ได้เป็นมนุษย์เต็มร้อยเสียแล้ว เพราะการไปทำบาปนี้มันจะค่อยลดฐานะของการเป็นมนุษย์ลงไปให้ต่ำลงไปให้ไปเป็นเปรตบ้างเป็นอสูรลกายบ้างเป็นนรกบ้างเป็นเดรัจฉานบ้างขึ้นอยู่กับบาปที่เราทำว่าทำด้วยเหตุผลอันใดทำด้วยความไม่เชื่อทำด้วยความไม่รู้ก็เป็นเดรัจฉานทำด้วยความโลภ ก, ก็จะเป็นเปรต เป็นดวงวิญญาณที่หิวโหยถ้าทำด้วยความกลัวก็จะเป็นอสนลกายเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหวาดกลัวทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทก็จะเป็นนรกเป็นดวงวิญญาณที่รุ่มร้อนด้วยความอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมอันนี้เป็นผลที่ตามมาหลังจากที่ทำบาปค่อยสะสมลงไป เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเยดืองจิตใจให้ลงต่ำไปเรื่อยๆจากมนุษย์ให้ลงไปสู่ที่ต่ำกว่ามนุษย์คือสัตว์ที่เกิดในอบายทั้งสี่นี่เองส่วนในทางตรงกันข้ามทุกครั้งที่เราทำบุญก็เหมือนกับยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นทำบุญแต่ละครั้งก็จะทำให้เราเลื่อนขึ้นจากการเป็นมนุษย์ขึ้นสู่การเป็นเทวดา เทวดานี่ก็มีหลายระดับมีต้องหกระดับหกชั้นด้วยกันค่อยทำมากทำน้อยอยู่ที่ทำมากหรือทำน้อยมันก็จะสะสมมันก็จะส่งให้เราจิตดวงวิญญาณของเราหรือจิตใจของเราสูงขึ้นไปตามลำดับเหมือนกับเวลาที่เราเงินไปฝากในธนาคารเนี ฝากมากขึ้นไปเรื่อยๆ เ, เราก็จะเป็นเศรษฐีระดับสูงขึ้นไปเรื่อยๆมีเศรษฐีระดับเงินแสนเศรษฐีระดับเงินล้านเศรษฐีระดับร้อยล้านพันล้านเนี่ยก็อยู่ที่ปริมาณของเงินที่เราเอาไว้เก็บไว้ในธนาคารบุญนี้ก็เป็นเหมือนเงินที่เราไปเก็บไว้ในธนาคารบุญนี่เอง เป็นเป็นทรัพย์สินของเราทำให้เราเป็นเศรษฐีบุญพอเราตายไปดวงวิญญาณของเราก็จะไปเป็นทันทีเลยเพราะมันเป็นตั้งแต่ยังไม่ตายตอนที่เราทำบุญนี้จิตใจของเราเริ่มกลายจากการเป็นมนุษย์ขึ้นไปเป็นเทวดากันแล้ว นี่แหละคือกฎแห่งกรรมไม่ต้องให้มีใครมาให้คุณให้โทษไม่ต้องมีตำรวจมาจับไปลงโทษไม่ต้องมีคณะกรรมการมาพิจารณาความดีคำชอบแล้วก็มอบรางวัลมอบอะไรให้กฎแห่งกรรมนี้มันจะทํางานโดยอัตโนมัติจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามพอทําแล้วมัน ส่งผลให้กับจิตใจทันทีนี่แหละคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงที่พวกเราต้องเคารพต้องนับถือต้องบูชาการบูชาก็คือการศึกษานั่นเองศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรมเพราะกฎแห่งกรรมนี้มีทั้งให้คุณและให้โทษถ้าเราไม่ศึกษาเราก็จะไม่รู้ว่า กรรมชนิดไหนให้โทษกับเรากรรมชนิดไหนให้ประโยชน์กับเราแต่ถ้าเราได้ศึกษาแล้วเราก็จะได้รู้แล้วเราจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องผู้ที่รู้กฎแห่งกรรมดีที่สุดก็คือพระพุทธเจ้านี่เองพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่มาตัดสรู้นี้ก็มาตัดสรู้เรื่องกฎแห่งกรรมนี่แหละ แล้วก็เป็นผู้ที่มาสอนวิธีปฏิบัติต่อกฎแห่งกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดเพื่อให้บ่งกันโทษที่จะเกิดขึ้นกับเรานั่นเองนี่ยคสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จึงสอนเหมือนกันหมดสอนเพียงสามข้อใหญ่ๆข้อที่หนึ่งส่งสอนให้เราละ ก, การกระทําบาปทั้งปวงเพราะบาปนี้เป็นเหมือนไฟน เราไม่เอาไฟเข้ามาจุดไว้ในบ้านของเราเพราะไฟมันอันตารายพอจุดไฟแล้วเดี๋ยวมันเผาบ้านเราได้เะฉะนั้นเราเวลาเราจุดไฟเราต้องคอยเฝ้าดูในบ้านถ้าไม่จําเป็นนะไม่ไม่ต้องการเอาเชื้อเพลิงต่างๆเอามาเก็บไว้ในบ้านไม่เอาน้ำมันเอาแก๊สมาเก็บไว้ในบ้านถ้าไม่มีความจําเป็นแล้วก็เอาไว้ที่อื่น เพามันมีแต่ภัยมันมีแต่โทษบาปก็เหมือนกันบาปก็มันก็มีแต่โทษต่อจิตใจมันเป็นเหมือนไฟที่จะมาเผาไหมจิตใจของเราให้ทุกข์ทรมานพระพุทธเจ้าทุกๆองค์เห็นโทษของบาปทั้งนั้นพ้าอาลียาสงฆ์ทุกๆองค์ก็เห็นโทษของบาปไม่มีองค์ใดองค์หนึ่งที่จะกล้าทำบาปเลย ยอมตายดีกว่าที่จะไปทำบาปเพื่อป้องกันความตายยอมรับผลของกรรมที่เคยทำมาแต่จะไม่แก้ผลของกรรมด้วยการไปทำบาปเพิ่มขึ้นยอมตายถ้าต้องถ้าถึงเวลาจะต้องตายเพราะว่าการตายนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีคนไม่มีโทษมันเป็นเรื่องของร่างกายของทุกๆคน ไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดาอย่างพวกเราหรือคนแบบพระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกร่างกายของท่านก็ต้องตายเหมือนกันท่านก็เลยไม่เห็นความสำคัญของร่างกายที่จะไปแลกเปลี่ยนด้วยการกระทำบาปเพราะจะได้ไม่คุ้มเสียนั่นเองเพราะร่างกายนี้ไม่ว่าเราจะป้องกันอย่างไรทำบาป เพื่อป้องกัน ร, ร่างกายอย่างไรไม่ช้าก็เร็วร่างกายมันก็ต้องตายไปอยู่ดีแล้วเรื่องอะไรไปทำบาปเพราะทำบาปมันมีผลตามมาร้ายแรงต่อกว่าความตายความตายนี้เป็นเรื่องธรรมดาไม่ร้ายแรงไม่มีผลอะไรต่อจิตใจของพระพุทธเจ้ากับของพระอาหารหันต์เพราะท่านแยกตัวของท่านออกจากร่างกายได้ ท่านมองเห็นร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวของท่านท่านมองเห็นร่างกายเหมือนเห็นร่างกายของคนอื่นพวกเราเวลาเห็นร่างกายของคนอื่นนี้เราไม่ค่อยเดือดร้อนเวลาร่างกายคนอื่นเป็นอะไรไปนี้เราเฉยๆได้ฉันใดพระพุทธเจ้าก็เห็นร่างกายของท่านว่าเป็นเหมือนร่างกายของคนอื่นเป็นอะไรมันก็ไม่ทำให้จิตใจของท่านเดือดร้อน ทัานก็เลยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปทำบาปเพื่อจะมาปกป้องรักษาร่างกายปกป้องด้วยวิธีที่ไม่ทำบาปแต่ถ้าต้องทำบาปก็จะไม่ทำก็จะยอมปล่อยให้มันตายไป น, นี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทรงเห็นโทษของการกระทำบาป จึงต้องสอนให้เราละการกระทำบาปทั้งปวงนี่มีนี่เป็นคำสอนข้อที่หนึ่งของพระพุทธเจ้าที่เกี่ยวข้องกับกฎแห่งกรรมโดยตรงคือการกระทำบาปการกระทำบาปไม่ดีเป็นเหมือนจุดไฟเผาเราจุดไฟเผาตัวเราอย่าไปจุดไฟเผาตัวเราด้วยการกระทำบาปและ ต้องละเว้นนอกจากบาปแล้วก็ต้องละเว้นผู้สนับสนุนให้มีการกระทำบาปด้วยผู้ที่สนับสนุนให้มีการกระทำบาปคืออะไรก็คืออบายามุขนี่เองต้องละเว้นการดื่มจุรายาเมาละเว้นการเล่นการพนันละเว้นการเที่ยวเตะละเว้นความเกลียดข้าน และละเว้นจากการคบคนที่ชอบอบายยมุขเป็นมิตรเนี่ยเพราะอบายยมุขนี้จะทําให้เราต้องไปทําบาปต่อไปเนื่องจากอบายยมุขนี้ไม่มีรายรับมีแต่รายจ่ายเราเที่ยวเราเด่มสุราเล่นการพ น, นั้นเกียรติ้านี้ไม่มีการผลิตรายรับขึ้นมามีแต่มีรายจ่ายเพราะจ่ายไปอย่างเดียวเดี๋ยวเงินทองก็ไม่พอใช้ พอไม่พอใช้ไม่ได้ไปทำงานเพราะมัวแต่เที่ยวมัวแต่เล่นการพนันวิธีที่จะมีเงินเพิ่มขึ้นมาก็ต้องไปขโมยไปโกงไปไปป้นไปจี้นั่นเองแต่ถ้าเราไม่เสบอบายยมุคนี้เราก็จะมีเงินทองพอใช้เพราะเราจะมีเวลาไปทำงานทำการไปหาเงิน แล้วเวลาใช้เงินเราก็ใช้กับสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นคือปัจจัยสี่อาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยอะไรที่ไม่จำเป็นเราก็พยายามห้ามใจไว้อย่าใช้ดีกว่าเพราะว่าใช้แล้วมันหมดได้แล้วเดี๋ยวเวลาเงินทองไม่พอใช้จะเดือดร้อนถ้าเราไม่เสพบาบายามุกนี่เราจะลดรายจ่ายลงไปได้เยอะ าเสพอบายมุกแล้วรายจ่ายจะมากเช่นการเที่ยวเตรเนี่เที่ยวแต่ละครั้งนี่หมดไปหลายตังค์ด้วยกันเรื่องการซื้อของฟุ่มเฟือยก็ก็ถือว่าเป็นอบายมุกอย่างหนึ่งได้เหมือนกันการซื้อของฟุ่มเฟือยของไม่จำเป็นของที่เรามีเหลือเฟืออยู่แล้วเพียงแต่ว่าเห็นแล้วอดไม่ได้อยากได้นต้องรู้จักหักห้ามจิตใจ อย่าใช้เงินใช้ทองโดยไม่มีเหตุไม่มีผลเพราะมันจะทำให้เราเงินทองไม่พอใช้ได้และอาจจะบีบบังคับให้เราไปทำบาปถ้าเราไม่อยากจะทำบาปเราก็ต้องพยายามละเว้นการเสพอบายามุขละเว้นการใช้เงินแบบสุรุย่ยสุร่ายใช้เงินแบบฟุ่มเฟือยอันนี้เป็นวิธีการที่จะช่วยป้องกันไม่ให้เราไปทำบาปได้ อันนี้เป็นข้อหนึ่งของคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระ อ, องค์ให้เราละเว้นการกระทาบาปทั้งปวงถ้าเราละเว้นได้เราก็จะปิดประตูวาบายได้ลดห้ามความเสื่อมของจิตใจลงไปได้จิตใจจะไม่มีวันเสื่อมจากความเป็นมนุษย์ถ้าเราไม่ทำบาป แต่พอเราทำบาปแล้วจิตใจก็จะเริ่มเสื่อมลงไปทีละเล็กทีละน้อยทันทีนี่คือข้อที่หนึ่งของกฎแห่งกรรมคืออย่าไปทำบาปด้วยทางกายทางวาจาและทางใจถ้าเกิดคิดอยากจะทำบาปก็ให้คิดถึงผลที่จะตามมาผลที่จะทาให้เกิดขึ้นกับจิตใจ จะได้กลัวบาปกันจะไม่กล้าทำบาปกันอันนี้จะต้องอาศัยการศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้รู้ว่าร่างกายกับจิตใจนี้เป็นคนละคนกันให้รู้ว่าใจเป็นผู้กระทำบาปหรือบุญให้รู้ว่าใจเป็นผู้รับผลบุญผลบาปไม่ใช่ร่างกายเราจะได้ รู้ว่าหลังจากร่างกายตายไปแล้วใจยังต้องไปรับผลบุญผลบาปต่อไปเอีคือนรกก็มีสวรรค์ก็มีนั่นเองอันนี้เราต้องอาศัยการศึกษาจากพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกทั้งหลายผู้มีดวงตาเห็นธรรมเห็นดวงใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายจะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในภพต่างๆต่อไป ตามอำนาจของบุญของบาปนะพอเราได้ยินได้ฟังเรื่องราวที่แท้จริงที่ถูกต้องของใจแล้วเราก็จะได้ไม่กล้าทำบาปกันเพราะทำบาปนี้ก็เป็นเหมือนกับการจับเราไปติดคุกติดตารางนั่นเองไม่มีใครอยากจะไปติดคุกติดตารางกันอันนี้คือข้อที่หนึ่งต้องพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นี้จะสอนเหมือนกันหมด สอนให้พวกเราเข้าลบกฎแห่งกรรมบูชากฎแห่งกรรมด้วยการประพฤติตามกฎแห่งกรรมที่ถูกต้องคือละเว้นการกระทำบาปทั้งปวงถ้าเราไม่ต้องการให้เกิดความทุกข์เกิดความเสื่อมความล่มจมแก่จิตใจนีแล้วถ้าเราอยากจะยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นกว่ามนุษย์ท่านก็สอนข้อที่สองคือให้เรา สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมมันทําบุญชนิดต่างๆบุญมีหลายชนิดด้วยกันคือการทําความดีทําบุญกับวัดก็เป็นบุญอย่างหนึ่งทําบุญกับโรงพยาบาลทําบุญกับโรงเรียนก็เป็นบุญเหมือนกันทําบุญกับสัตว์จรนจัดทําบุญกับนกกับปลาปล่อยนกปล่อยปลาทําบุญกับ วัวควายถ่ายชีวิตของวัวของควายทําบุญกับคนยากไร้คนที่เดือดร้อนอันนี้ถือว่าเป็นการทําบุญต่างชนิดต่างๆทําทแล้วจะยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นยกให้ขึ้นสูงกว่าความเป็นมนุษย์ขึ้นไปสู่การเป็นเทพที่มีอยู่หกชั้นด้วยกันสวรรค์หกชั้นหรือเทพหกชั้นด้วยกันะ อยู่ที่ทำมากทำน้อยทำมากมันก็จะเลื่อนสูงขึ้นไปตามลำดับของการกระทาของเรานี่คือวิธีที่จะสร้างความสุขสร้างความเจริญให้กับจิตใจของพวกเราถ้าพวกเราอยากจะให้จิตใจของพวกเราสุขให้เจริญเนี่ยอย่าไปกราบพระอย่าไปขอพรจากพระพระท่านไม่มีหน้าที่ที่จะให้คุณให้โทษกับจิตใจของเรา ท่านให้คุณให้โทษกับจิตใจของเราไม่ได้ไปกราบพระศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพระแก้วมรากดพระที่ไหนที่มีอยู่ในประเทศไทยอันนี้ไม่ได้ประมาทพูดตามความเป็นจริงพระท่านเป็นเพียงที่ตั้งของสติเป็นที่เตือนสติให้เรานำลึกถึงกฎแห่งกรรมเท่านั้นเองการไปกราบพระนี่เหมือนกับไปกราบพระพุทธเจ้า เพื่อให้เราลำาลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้าก็สอนให้เราละการกระทาบาปทั้งปวงสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมนี่คือหน้าที่ของพระพุทธรูปต่างๆแต่จะไม่สามารถอยู่ดีๆมาปลุกมาเสกมาเป่ามายกระดับจากการเป็นมนุษย์ของเราให้กลายเป็นเทวดาขึ้นมาได้หรือมากด ชีวิตของเราให้ตกต่ำลงไปได้สิ่งที่จะมาทำให้เราเจริญขึ้นหรือตกต่ำลงนี้ไม่ได้อยู่ที่พระพุทธรูปไม่ได้อยู่สิ่งที่เรากราบไหว้บูชาแต่อยู่ที่การกระทาของเรานี่แหละคือกฎแห่งกรรมนะยันอย่าไปเสียเวลากับการที่จะไปขอพรจากเทวรูปบ้างขอพรจากเทขอพรจาก พรมบ้างไปสี่แยกราดประสงค์ไปขอพอรกันไม่มีหรอกเป็นตุ๊กตานั่งเขาตั้งขึ้นมาคนปั้นก็เป็นคนธรรมดาสามัญอย่างพวกเรานี่ปั้นเป็นรูปขึ้นมาแล้วก็ตั้งชื่อว่าเป็นพระพมขึ้นมาก็เชื่อกันใครอยากได้อะไรก็ไปขอกัน พอคนที่ได้ก็มาประกาศบอกคนโอ้ขอแล้วได้นู่นได้นี่ส่วนคนที่ไม่ได้ก็เก็บหุบ ป, ปากไว้ไม่กล้าพูดอะไรที่ได้หรือไม่ได้มันไม่ได้เกิดจากการไปขอจากเท้ามหาพรหมมันเกิดจากบุญกรรมที่เราได้ทำมาไว้ก่อนแล้วพอถึงเวลามันจะได้มันก็ได้ไม่ต้องไปขอมันก็ได้ขอมันก็ได้มันไม่ได้อยู่ที่ขออยู่ที่ทาเนี่ย ศา ส, สนาพุทธนี้สอนให้ทำทำดีละชั่วเอชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่แหละเป็นเหตุที่จะพาให้ชีวิตจิตใจของเราจเจริญขึ้นดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นนถ้าเราได้ยกระดับจิตใจของเราขึ้นสู่ระดับเทพแล้วเราจะมีความสุขมากกว่าตอนที่เราเป็นมนุษย์นตอนเป็นมนุษย์นี่เราจะรู้สึกจืดๆชืดชืด สามวันดีสี่วันไข้ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่แต่พอทุกครั้งที่เราไปทําบุญนี่เราจะเกิดความรู้สึกสุขใจอิ่มใจขึ้นมาทําบุญบ่อยๆแล้วมันจะติดมันจะชอบแทนที่จะเอาเงินไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อเอาเงินมาทําบุญดีกว่าทําแล้วสบายใจอิ่มใจแล้วก็ไม่หิวโหวยกับการไปเที่ยวไม่หิวโหวยกับการไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆนะ เนีย่ยนี่คือระดับที่สองของคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าคือให้เราดับความทุกข์ต่างๆด้วยการไม่ทำบาสนลดการเสื่อมของจิตใจด้วยการไม่ทำบาตแล้วก็มายกระดับจิตใจให้สูงขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นด้วยการทำบุญชนิดต่างๆไม่จำเป็นจะต้องทำกับพระทำกับวัดเพียงอย่างเดียวถึงจะได้บุญ ทำกับโรงพยาบาลทำกับโรงเรียนทำกับองค์กรสาธารณประโยชน์ต่างๆเช่นปอเต็กตึงร่วมกันอยูหรือทำกับผู้ที่ยากไร้เดือดร้อนทำกับคนพิการทำกับคนแก่คนชราหรือทำกับพ่อกับแม่ก่อนอันนี้คนจะทำกับพ่อกับแม่ก่อนทำกับผู้มีพระคุณของเราก่อนได้บุญเหมือนกัน พ่อแม่ของเรานี้พระพุทธเจ้าทรงเปรียบว่าเหมือนกับพระาอารหันต์ของลูกๆทำบุญกับพ่อกับแม่นี้ถือว่าได้ได้ทำบุญกับพระาอารหันต์เลยทีเดียวได้บุญมากนะได้ความสุขมากนะนี่คือเรื่องของการยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นตามกฎตามกฎกติกาของกฎแห่งกรรมนะอยากจะมีความสุขให้ทำบุญ ไม่อยากจะมีความทุกข์อยากไปทําบาปแล้วก็สอนถ้าไม่อยากจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอย่างที่เราเป็นอยู่กันในขณะนี้ก็ต้องทําข้อที่สของคําสอนของพระพุทธเจ้าก็คือต้องชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ชําระใจที่ยังมีความโลภความอยากต่างๆอยู่เพราะความโลภความอยากนี่แหละ ที่เป็นตัวดึงให้จิตใจของพวกเรากลับมาเกิดกันกลับมาเกิดเป็นมนุษย์กันแล้วก็ใช้ร่างกายของมนุษย์นี้ไปหาความสุขจากความอยากของเราพวกเราอยากอะไรกันบ้างเราก็อยากดูอยากฟังกันเรียกว่าอยากเสบรูปเสียงกลิ่นรสนี่เองอยากลิ้มรส ด, ดมกลิ่นอยากจะสัมผัสกับสิ่งต่างๆผ่านทางร่างกาย เรียกว่าการนะบเรียกว่าการเสพกามความอยากเสพกามนี้มันจึงดึงใจให้พวกเราต้องมามีร่างกายกันเพราะการจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้นี้ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายและสิ่งที่มีตาหูจมูกลิ้นกายก็คือร่างกายของมนุษย์นี่เอง ถ้าเรายังมีความอยากเสพกามอยู่ทุกครั้งที่เราตายไปทุกครั้งที่ร่างกายที่เรามีอยู่นี้ตายไปเราก็จะไปหาร่างกายอันใหม่มาทดแทนร่างกายอันเก่าเพื่อที่เราจะได้ใช้ร่างกายอันใหม่นี้มาทำหน้าที่อันเก่าคือมาหารูปเสียงกลิ่นรสให้พวกเราได้เสพได้สัมผัสกันนั่นเองแต่ถ้าเราสามารถชำระหยุดความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสได้ ร่างกายก็จะไม่มีความจำเป็นกับเราอีกต่อไปวิธีที่เราจะไม่ไม่ไม่ต้องมีร่างกายมาเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราได้เราก็ต้องหาความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายก่อนคือความสุขที่เกิดจากการทำใจให้สงบเราต้องฝึกสมาธิก่อนนั่งสมาธิทำใจให้สงบ พอใจเราสงบใจจะมีความสุขขึ้นมาเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขของมนุษย์เหนือกว่าความสุขของเทวดาเพราะเป็นความสุขของระดับพรหมนั่นเองเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทางตามทางตาหูจมูกลิ้นกายพอเราได้พบกับความสุขที่เกิดจากความสงบแล้ว เราก็จะสามารถที่จะมาฝืนความอยากได้เวลาเราอยากจะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสเราก็บอกให้เลือกเอาว่าอันไหนดีกว่ากันความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสกับความสุขที่เกิดจากความสงบพอเรามีปัญญาเราก็จะเลือกเอาความสุขที่เกิดจากความสงบเพราะความสุขที่เกิดจากความสงบนี้มันไม่ต้องมีร่างกาย ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ต้องมีร่างกายแต่ร่างกายนี้มันจะไม่สามารถอยู่ไปได้ตลอดเดี๋ยวมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเวลามันแก่มันเจ็บหรือมันตายนี่ก็ไม่สามารถใช้เป็นเครื่องมือหาความสุขได้แต่ใจนี้ไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายเราสามารถหาความสุขจากความสงบของใจได้ตลอดเวลาทุกแห่งทุกคน ไม่ว่าร่างกายจะแก่ไม่แก่เจ็บไม่เจ็บตายไม่ตายความสุขที่ได้จากความสงบนี้สามารถมีได้ตลอดเวลาถ้าเราเปรียบเทียบชั่งน้ำหนักแล้วเราก็จะฝืนความอยากที่จะใช้ร่างกายไปเสพกามได้ไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสได้ต่อไปเราก็จะเลิกความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขได้ พอเรามีความสุขที่ดีกว่าคือความสุขที่เกิดจากความสงบของใจนี่เองพอเราได้ความสุขนี้แล้วเราก็ปล่อยวางความสุขทางร่างกายได้เราก็ไม่ต้องพึ่งร่างกายอีกต่อไปไม่ต้องมีร่างกายเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ถ้าร่างกายนี้ตายไปแล้วเราก็ไม่ต้องกลับมาหาร่างกายอันใหม่ เพื่อมาเสพกวามกันใหม่เพราะเรามีความสุขเราเสพความสงบอยู่แล้วนั่นเองอยู่กับความสงบเสพกับความสุขที่เกิดจากความสงบนีกว่าเพราะไม่มีวันสิ้นสุดเป็นเป็นความสุขที่ถาวรความสุขที่ได้ผ่านทางร่างกายเป็นความสุขชั่วคราวพอร่างกายเป็นอะไรไปก็ไม่สามารถที่จะมีความสุขได้นะ นี่เป็นวิธีคำสอนขั้นที่สถ้าเราเบื่อกับการที่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเราก็หยุดได้หยุดการเกิดแก่เจ็บตายได้ด้วยการไบหัดสร้างความสุขชนิดใหม่ขึ้นมาไปหัดนั่งสมาธิทำใจให้สงบเมื่อใจสงบก็จะมีความสุขพอพอเราทำเป็นแล้วต่อไปเราก็สามารถเนรมิตความสุขนี้ขึ้นมาได้ เพียงแต่หยุดความคิดเพียงแต่ใช้สติควบคุมความคิดไม่ให้คิดปรุงแต่งเท่านั้นเองพอจิตสงบปั๊บความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้ผ่านทางร่างกายก็จะปรากฏขึ้นมาเราก็เลยไม่ต้องใช้ร่างกายไปเป็นเครื่องมืออีกต่อไปร่างกายนี้ตายไปแล้วเราก็จะไม่ไปหาร่างกายอันใหม่มาเกิดอีก เพราะเราเบื่อกับความแก่ความเจ็บความตายที่มันมากับการเกิดนั่นเองเพราะความแก่ความเจ็บความตายนี้มันไม่ดีมันทุกข์เเราไม่มีใครต้องการความทุกข์กันไม่มีใครอยากแก่กันไม่มีใครอยากเจ็บไข้ได้ป่วยกันไม่มีใครอยากตายกันแต่หนีไม่พ้นถ้ายังต้องมาเกิดกันอยู่ ที่มาเกิดก็เพราะยังอยากจะหาความสุขผ่านทางร่างกายนี้เองเพราะยังไม่มีความสุขทางใจแต่พอเราสร้างความสุขทางใจขึ้นมาได้เราก็มีทางเลือกแล้วเราก็ต้องเลือกความสุขทางใจเพราะความสุขทางใจไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายความสุขทางร่างกายจะต้องมีการเกิดแก่เจ็บตายเสมอทุกครั้งไป เราก็เลือกทางความสุขทางใจเหมือนกับพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้เลือกกันเพราะมันเป็นทางที่ดีกว่านั่นเองถ้าเขามีรถสองคันมาให้เราเลือกรถกระบะกับรถเก๋งเราจะเลือกอะไรใช่ไหมรถใหม่กับรถเก่าเราจะเลือกอะไรเราก็ต้องเลือกรถใหม่ฉันใดความสุขทางใจนี้ก็เป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขทางร่างกาย พอเราต้องเลือกเราก็จะเลือกความสุขทางใจเพราะเราไม่ต้องการเจอความแก่เจอความเจ็บเจอความตายอีกต่อไปอันนี้เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมข้อที่สามเราสามารถยุติการกระทำกรรมกรรมทั้งปวงได้ด้วยการหยุดความอยากต่างๆนี่เองเมื่อหยุดความอยากแล้วก็ไม่มีวันมาเกิดอีกต่อไปเมื่อไม่มาเกิดแล้วกฎแห่งกรรมก็ไม่สามารถที่จะไป มีให้คุณให้โทษต่อจิตใจของผู้ที่ไม่มาเกิดแล้วเนี่ยก็ยจะหลุดพ้นจากวงจรเรื้อว้วงอ้งอำนาจของของกฎแห่งกรรมนะพระพุทธเจ้าพระหลานตาสาวทั้งหลายนี้กรรมเข้าไปไม่ถึงแล้วถึงแม้จะเคยทำบาปทำกรรมมามากน้อยเช่นองคุลิมานฆ่าคนถึงเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนพอไม่กลับมาเกิดแล้ว กดแห่งกรรมก็ไม่สามารถไปจะเอาใจขององคุลีมานมาลงโทษได้อีกต่อไปนี่แหละคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร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 จันโทปันาราโสยธามณิจตีอาราโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพะโรโวินาสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีคายุโกภวะ อพิวาทานาสิลิตานิจังวุธาปจายโนจตารโรธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลางังช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอะไร เดี๋ยวก็เชิญถามได้ในช่วงนี้ช่วงเดียวเพราะหลังจากเลิกแล้วเดี๋ยวจะไม่มีการถามอีกถ้าไม่อยากจะถามเองก็ขอเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่ ค่ะวันนี้จาก f a c e บ o o k 438ย t u b บ263วิทยุออนไลน์16ผู้รับฟังวันนี้79รวม796ท่านค่ะม YouTube มีปัญหาเลยไม่มีค่ะก็ปกติค่ ะ, ะรู้สึกน้อยหน่อยธรรมดา300กว่าถามต่อได้เลยคำถามจากผู้รับฟังวันนี้นะคะ ใช่สติและอุเบกขาได้ผลในหลายเรื่องยกเว้นเรื่องการจราจรบนถนนพุทโธเอาไม่ค่อยอยู่เราจะเพิ่มความเข้มข้นหรือปฏิบัติเพิ่มในเรื่องใดได้บ้างครับก็อยากไปบนอยากขึ้นรถไปเดินเดินเนาตอกําลังกายไปได้ประโยชน์หลายอย่างได้สติเดินจงกรมไปแล้วก็ไม่เครียดประหยัดน้ํามันช่วยสิ่งแวดแล้อมโอ้ดีเยอะแยะไปหมด ทุกันหัดเดินกันบ้างแล้วรถจะได้น้อยลงตรงวันนี้สร้างถนนขึ้นมาเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะพอถนนมากขึ้นรถก็มากขึ้นตามงั้นเราต้องมาเปลี่ยนวิธีต้องย้อนสอนย้อนกิเลสการมีรถยนต์นี้ก็เป็นกิเลสอย่างหนึ่งเพราะมันสะดวกสบายตอบสนองความอยากได้ร็วอย่างรวดเร็วเห็นเราต้องมาย้อน เรามองมองมามองผลเสียหายที่เกิดจากการมีรถยนต์ดีกว่าเครียดกันประสาทกินงินดีไม่ดียิงกันตายบนท้องถนนเนี่ยบางที่บีบแกหน่อยนี่ก็โกรธละลงมาตบหน้าตีกันเนี่แหละคือผลของกิเลสของความอยากสุขอย่างสบายลองมาหัดเดินกันดูสิเดินแบบพาเดินบินทบาททั้งก็เดินอยู่นั่นไปเรื่อย รถจะติดไม่ติดก็ไม่มีปัญหาอะไรเราอยากไปอยากไปไกลก็ไม่ต้องมีรถความอยากเรามันอยากจะไปนู่นมานี่กันถ้านั่งสมาธิได้เราไม่อยากไปไหนหรอกอยู่บ้านสุขกว่าสบายกว่างั้นเรามาแก้ปัญหาทางจราจรนี้ด้วยการมาหัดนั่งสมาธิกัน นั่งสมาธิทาใจให้สงบมีความสุขแล้วก็ไม่อยากไปแล้วไปช้อปปิ้งก็เหนื่อยไปกินนูน่นกินนี่ก็เหนื่อยไปดูไปฟังอะไรก็เหนื่อยซู้อยู่บ้านนั่งสมาธิดีกว่าสบายกว่าสุขกว่าเยอะกว่านะคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามถ้าลูกเราเป็นโรคซึมเศร้าอย่างนี้เป็นกรรมของพ่อและแม่ใช่ไหมครับและมีธรรมะคำสอนอะไรที่ช่วยได้บ้างครับ ออไม่หรอกเป็นกรรมของลูกมันเป็นเรื่องจิตของลูกที่ไม่มีสตินั่นเองสติน้อยปล่อยให้ความคิดปรุงแต่งตามความอยากมันมารุมเล่าจิตใจพออยากแล้วไม่ได้ดังใจอยากก็เสียใจเศร้าใจเสียใจบ่อยๆก็เสืมเศร้าขึ้นมะต้องสอนให้เขาฝึกสติหัดมีสติหัดท่องพุทโธสอนให้เขาสวดมนต์ไหว้พระอะไรไป เพื่อให้มีสติเพิ่มมากขึ้นแล้วจะได้สอนให้เขารู้วิธีคอยฝืนความอยากคอยลดความอยากลงให้เขารู้จักนั่งสมาธิหาความสุขจาก ความสงบดีกว่าเพราะได้ดังใจอันนี้ไม่ไม่ผิดหวังถ้าเรามีสติแล้วนั่งสมาธิใจเราสงบเราจะมีความสุขได้ถ้าเราไปหวังสิ่งนั้นสิ่งนี้จากคนนั้นคนนี้บางทีก็ไม่ได้บางทีก็ไ ด, ได้เวลาไม่ได้ก็เสียใจไม่ได้บ่อยๆก็จะซึมเศร้าขึ้นมาวิธีแก้ก็คือเนี่ยต้องฟื้นฟูสติพยายามฝึกหาอุบายให้เขาใช้สติ ให้เข า, เาพุโทโธพุโทโธสวดมนต์ฟังเทศฟังธรรมอะไรไปของพวกนี้มันต้องใช้สติธรรมถ้าทำบ่อยๆขึ้นก็จะมีสติเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะเริ่มคิดเหตุคิดผลได้จากผู้ไม่ประสงน์ไม่ประสงออกนามนาค่ะการที่เราไม่รู้สึกอยากได้ในทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆตัวรวมถึงครอบครัวสามี แบบนี้เราจะมีบาปไหมคะและเราควรปฏิบัติต่อไปแบบใดได้บ้างคะก็ความไม่อยากได้อะไรมันไม่บาปหรอกเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่ทำหน้าที่ของเราที่เราควรจะกระทำมันก็ถือว่าเสียหายได้ดังั้นถึงแม้เราไม่อยากจะทำแต่ถ้าเรายังมีหน้าที่ต้องทำอยู่เราก็ต้องทำหน้าที่ของเขา เพราะการไม่ทำหน้าที่ของเราอาจจะทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนหนือเสียหายได้แต่ถ้าไม่อยากเพื่อตัวเรานี้ไม่เสียหายอะไรไม่อยากได้เสื้อผ้าใหม่ไม่ได้อยากได้กระเป๋ารองเท้าใหม่อันนี้ไม่ไม่อยากได้ไม่เป็นไม่เสียหายดีสิจะได้ประหยัดเงินมีเงินเก็บไว้ใช้ซื้ออะไรจำเป็นได้ต่อไปเังนก็ต้องดูว่าความไม่อยากของเราเป็นกิเลสหรือไม่เป็นกิเลส ถ้ามันเป็นหน้าที่เป็นสิ่งที่เราต้องทําแล้วไม่ทำมันก็ถือว่าเป็นกิเลสแต่ถ้าไม่มีหน้าที่ต้องทําอะไรไม่อยากจะทําอะไรก็ไม่เสียหายอะไรคําถามจากคุณจาโยมตั้งใจมั่นจะลางานห้าวันบวกกับวันหยุดทางราชการอีกห้าวันเพื่อไปปฏิบัติธรรมสิบวันแต่หัวหน้าไม่อนุมัติและไม่เห็นด้วยโ ย, โยมควรทําใจอย่างไรดีเจ้าคะ ก็ตามมีตามเกิดนะได้ห้าวันก็ห้าวันนะอย่าไปโลภมากอย่าไปอยากในสิ่งที่เราเอาไม่ได้ทําไม่ได้ว่าจะทําให้เราทุกข์ขึ้นมานั่นเองงั้นแม้ว่าเราจะทําความดีมากน้อยเพียงไรก็ต้องดูความเป็นไปได้ด้วยไม่ใช่อยาก <c oughs> ตะบ้านอย่างเดียวแล้วคิดว่าเป็นความดีความอยากทําความดีแล้วไม่ได้ทํามันก็ทําให้เราทุกข์ขึ้นมาได้เเราก็ต้องดูความเป็นไปได้ด้วย ว่ามันสามารถทำตามความอยากได้ไหรือไม่จะอยากไปปฏิบัติธรรมอยากไปทำบุญอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ต้องดูกำลังของเราดูความเป็นไปได้ถ้าทำเกินกำลังเกินความเป็นไปได้มันก็จะทำให้เราไม่สบายใจขึ้นมาซึ่งไม่ใช่เป็นวิธีที่ถูกวิธีที่ถูกต้องไม่ต้องสบายใจไม่ได้สิบวันก็เอาห้าวันไปก่อน แล้เดี๋ยวโอกาสหน้าค่อยหามาอีก5าวันที่หลังกัหรือเอาอาทิตย์ละวันมาเติมเข้าไปก็ได้เรามีวันหยุดธรรมดาของเราอยู่ทุกอาทิตย์อยู่แล้วคําำถามจากคุณพิชญาถ้าฟังธรรมะไม่ได้นั่งฟังเฉยๆจะบาปไหมเจ้าคะเพราะเป็นคนที่มักจะเปิดจะเปิดฟังตลอดถ้ามีโอกาสไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ก็ตามเจ้าคะ่ะ อ๋อไม่บาปหรอกเพียงแต่ว่าจะไม่ได้ประโยชน์เต็มร้อยไม่ได้ผลเต็มร้อยเพราะว่าเราต้องแบ่งใจเราไปให้กับการทําอย่างอื่นอีกครึ่งหนึ่งทํานั้นทนํานี่ฟังไปใจมันอยู่ที่อยู่ว่ากําลังอยู่ที่ไหนอยู่ที่ฟังห ร, รือว่าอยู่ที่ ท, ท, ที่ทำถ้าอยู่ที่ทําเวลาฟังก็ไม่เข้าใจต้องฟัง อย่างเดียวถึงอยากเข้าใจเพราะต้องคิดตามด้วยแต่ถ้าใจไปคิดเรื่องอื่นเรื่องทํางานมันก็จะคิดตามเรื่องที่ฟังไม่ได้เรื่องที่ได้ยินได้ฟังมันก็จะเข้าหูซ้ายออกหูขวาไปางั้นถ้าอยากจะได้เต็มร้อยก็นั่งอยู่เฉยๆแต่ถ้ายัางนั่งเฉยๆไม่ได้เลือกการฟังธรรมดีกว่าการฟังเพลงก็โอเคไม่มีปัญหาเลยดีกว่าถึางแม้จะได้ห้าสิบก็ยังดีกว่าไม่ได้เลย